ความเป็นกับความตายเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2513รข้าพเจ้าได้รับจดหมายฉบับหนึ่งจากคุณเอื้อหงสกุลซึ่งลงแต่เดือนแต่ไม่ลงวันที่ ดังสำเนาที่คัดมาให้ดูให้ฟังนี้ในจดหมายฉบับนี้คุณเอื้อได้เล่าถึงประสบการณ์เกี่ยวกับความตายเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการติดต่อกับผู้ที่ตายไปแล้วโดยวิธีการเข้าทรงทั้งสองเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากสำหรับที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าคนเราเมื่อตายแล้วมีสภาพอย่างไรชีวิตหลังจากตายกับชีวิตในความฝันมีลักษณะที่เหมือนกันอย่างไรบ้างและแตกต่างกันอย่างไรบ้าง ซึ่งจากตัวอย่างอันนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าความเป็นกับความตายเกือบจะไม่มีอะไรที่แตกต่างกันเลยความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวความตายไม่ใช่เป็นความสูญเสียชีวิตอย่างที่คนทั่วไปเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงหวังว่าประสบการณ์ของคุณเอื้อหงสกุลตามที่เล่ามานี้คงจะทำให้คนอีกมากมายที่ได้อ่านได้ฟังและมีความเชื่อมีความสบายใจขึ้นเพราะไม่ต้องกลัวตายอีกต่อไป คุณเอื้อหงสกุลในขณะที่พิมพ์หนังสืออยู่นี้ก็ยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นถ้าหากคนไหนสงสัยว่าเรื่องที่เล่ามานี้จะจริงหรือเท็จเป็นประการใดท่านก็สามารถที่จะไปสอบถามด้วยตนเองได้หรือมีจดหมายไปถามก็ได้ตามตำบลที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้นี้โรงเรียนรุจิเสรีวิทยาเลขที่174ซอยสุพราชถนนพหลโยธินตำบลสำเสงในอำเภอพญาไท กรุงเทพมหานครหมายเหตุผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ออกมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2513นะครับปัจจุบันปีพุทธศักราช2551ผู้อ่านเองก็ไม่ทราบว่าคุณเอื้อหงสกุลยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และต่อไปนี้ก็เป็นจดหมายที่คุณเอื้อหงสกุลได้เขียนถึงอาจารย์พรนะครับ มีนาคม2513เรียนคุณพรรัตนสุวรรณที่นับถือผมได้รับหนังสือการติดต่อวิญญาณโดยเอสเทลโรเบิร์ตที่คุณส่งไปเปลี่ยนให้แล้วจึงขอแสดงความขอบคุณมณะที่นี้ผมจึงได้ส่งฉบับที่เรียงหน้าผิดและขาดตกบกพร่องคืนมาให้ในจดหมายฉบับก่อนผมได้บอกว่าผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับวิญญาณอยู่หลายครั้งเพื่อตอบแทนความการุณาที่คุณพรได้เปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่ไป ผมจึงใคร่จะเล่าให้ทราบสักสองเรื่องเพราะคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าเรื่องวิญญาณของคุณพรบ้างเรื่องแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อราวพุทธศักราช2470ขณะนั้นผมมีอายุ20กว่าผมไปถอนฟันกรามที่โรงพยาบาลสิริราชเนื่องด้วยนายแพทย์เป็นเพื่อนนักเรียนชั้นเดียวกัน จึงไม่ได้มีการตรวจตรากันอย่างละเอียดสมัยนั้นการฉีดยาให้ชาเฉพาะแห่งไม่มีเขาจึงจัดการวางยาสลบแก่ผมผมได้สังเกตอาการสลบนั้นรู้สึกว่าร่างกายได้เริ่มไม่มีความรู้สึกและนึกให้กระดุกกระดิกไม่ได้เริ่มแต่ปลายนิ้วเท้านิ้วมือก่อนพออาการไม่รู้สึกนั้นขึ้นมาถึงคอก็รู้สึกแน่นเหมือนถูกกดจมอยู่ในน้าแล้วก็เลยหลับพลอยไป ระหว่างที่หลับอยู่นั้นผมรู้สึกว่าผมลุกขึ้นจากเตียงตัวลอยออกไปทางประตูห้องและเลี้ยวตามทางเดินไปถึงหน้าต่างข้างนอกหน้าต่างมีต้นมะขามใหญ่ผมได้ลอยออกไปนอกหน้าต่างและไปลอยวนอยู่ที่โคนต้นมะขามประเดี๋ยวหนึ่งก็ลอยต่อไปอย่างกลางสนามหญ้าซึ่งตรงนั้นมีบ่อน้ำมีร้านต้นไม้ทาสีขาวๆลูกต้นพวงชมพูคลุมบ่อน้ำอยู่ ผมก็ไปที่บ่อน้ำนั้นอยู่พักหนึ่งจึงลอยกลับมาในห้องและขึ้นนอนบนเตียงตามเดิมขนาดนั้นเองผมก็รู้สึกตื่นขึ้นในปากผมมีสำลีเต็มได้ยินเสียงหมอสั่งให้เปิดตู้เอายาฉีดมาและเสียงนางพยาบาลถามว่ากุญแจตู้อยู่ที่ไหนหมอสั่งว่าไม่ต้องหากุญแจแล้วให้ทุบ ก, กระจกตู้ยาเลยพอเสียงกระจกแตกผมก็ลืมตาขึ้น นางพยาบาลที่ยืนอยู่ข้างเตียงคนไข้ก็ร้องว่าฟื้นแล้วฟื้นแล้วหมอชะโงกเข้ามาดูแล้วบอกว่าไม่ต้องฉีดยาแล้วผมถามหมอว่าเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นหมอบอกว่าจะเกิดอะไรละ่ะลื้อช็อกไปตั้งหลายนาทีนะสิผมถามว่าช็อกยังไงหัวใจลื้อหยุดเต้นนะสิผมก็ถามว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วเป็นยังไง หัวใจหยุดเต้นก็คือขาดใจตายไปแล้วน่ะสิถ้าฉีดยาให้เต้นใหม่ไม่ได้หรือก็ตายเลยเท่านั้นหรือมีโรคอะไรประจําตัวบ้างทําไมไม่บอกอัวผมบอกว่าก็เป็นมาลาเรียแล้วมันกลายเป็นโรคโลหิต จ, จางถ้าอัวรู้ว่าลื้อเป็นโรคโลหิต จ, จางอัวไม่วางยาสลบหรอกนี่เคราะห์ดีนะที่หัวใจมันกลับเต้นขึ้นมาเองได้ไม่งั้นลื้อเป็นผีไปละ ต่อจากนั้นหมอก็ให้ยาบารุงหัวใจและให้นอนนิ่งๆอยู่หนึ่งชั่วโมงระหว่างนอนอยู่นั้นผมติดใจสงสัยว่าไอ้ที่ผมฝันเห็นว่าตัวลอยออกไปนอกตึกนั้นบ่อน้าต้นมะขามและสิ่งต่างๆที่เห็นนั้นมันมีจริงหรือเปล่าฉะนั้นพอเขาอนุญาตให้ลุกขึ้นกลับบ้านได้ผมก็ออกไปดูที่ทางเดินและไปดูที่หน้าต่างผมเห็นต้นมะขามสนามหญ้าบ่อน้า และต้นพวงชมพูที่ขึ้นบนร้านคลุมบ่ออยู่มีจริงเหมือนอย่างที่เห็นในระหว่างผมขาดใจนั้นครบทุกอย่างดังนี้ผมจึงเชื่อว่าคนเรานี้เมื่อขาดใจแล้ววิญญาณมันก็ออกจากร่างและไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ในโลกนี้เองและมันก็มาอยู่ที่ร่างกายของมันอย่างผมถ้ากลับเข้าร่างไม่ได้ก็คงจะตายไปแล้ว อีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองกล่าวคือพี่เขยผมเป็นมะเร็งที่ท้องน้อยตายไปพอเวลาเที่ยงพี่สาวผมจะต้องได้กลิ่นน้ำเหลืองเขาก็จุดบุหรี่วางไว้ข้างแก้วกาแฟดำเย็นกลิ่นก็หายไปเพราะแกชอบสูบบุหรี่และดื่มกาแฟดำเย็นในเวลาเที่ยงทุกวันครั้นผมทราบเข้าก็คิดจะทดลองติดต่อกับวิญ ญ, ญาณของพี่เขยดู วิธีการของผมก็คือเอาลูกจ้างผู้หญิงชื่อนางทรัพย์มาสะกดจิตให้หลับก่อนและเอานางเชื้อซึ่งเป็นญาติกับผู้ตายมาสะกดให้หลับอีกคนหนึ่งคราวนี้ก็สั่งนางทรัพย์ให้บอกพี่เขยผมให้มาเข้าตัวนางเชื้อปรากฏ ว, ว่านางเชื้อกลายเป็นคนทรงขึ้นมาได้และสามารถตอบคําถามต่างๆเหมือนอย่างตัวพี่เขยผมมาพูดเองแต่นางเชื้อนั้นบอกว่ายังเจ็บที่แผลมะเร็งอยู่ ทั้งๆที่นางเชื้อก็เป็นคนดีๆไม่ได้เป็นอะไรผมจึงจับความได้ว่าการที่วิญญาณของพี่เขยบอกว่าเจ็บปวดอยู่นั้นคงเป็นเพราะวิญญาณมีอุปทานไปเองผมทราบว่าพี่เขยผมเป็นคนเชื่อถือในพระพุทธคุณผมจึงบอกว่าผมจะอัญเชิญพระพุทธคุณมารักษาให้เอาไหมวิญญาณบอกว่าเอาผมก็ตั้งนโมว่าอิติติปิโสเป่าไปที่ตัวนางเชือ้อพร้อมกับบอกว่า ด้วยอำนาจของพระพุทธคุณ น, นี้คุณพี่ต้องหายปวดแน่แล้วและถามว่ารู้สึกว่าหายปวดหรือไม่วิญญาณในร่างของนางเชื้อก็รับว่าค่อยยังชั่วทุเลาการปวดไปแล้วผมได้ถามอะไรต่ออะไรกับวิญญาณ น, นั้นอยู่นานพอสมควรจึงได้ปล่อยให้ลาไปเท่าที่สังเกตดูรู้สึกว่าวิญญาณของผู้ตายนั้นมีความจำเสื่อมไปมาก และไม่มีความรู้เรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นภายหลังการตายเลยผมได้ทดลองเพียงหนเดียวเท่านั้นก็ไม่ได้ทดลองอีกเพราะผู้หญิงสองคนนั้นได้พากันหนีออกจากบ้านไปเนื่องจากความกลัวเพราะเขาว่าและเห็นผู้ตายมาปรากฏให้เห็นบ่อยๆทั้งในเวลาหลับตาและเวลาตื่นแต่เวลาตื่นเห็นเพียงเงาๆเท่านั้น เท่าที่เล่ามานี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณพรบ้างไม่มากก็น้อยขอขอบคุณอีกครั้งที่เปลี่ยนหนังสือให้ใหม่ส่วนหนังสือที่คืนมานั้นผมยยกส่งมาต่างหากด้วยความนับถือลงท้ายเอื้อหงสกุล จากตัวอย่างที่ท่านได้ฟังมานี้ท่านจะเห็นได้ว่าคนที่นอนหลับและฝันไปกับคนที่ได้ตายไปแล้วนั้นมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากกล่าวคือชีวิตในความฝันเกิดจากความนึกคิดชีวิตหลังจากตายก็เกิดจากความนึกคิดเช่นเดียวกันลักษณะของร่างกายก็คล้ายกันมากด้วยเหตุนี้คนที่ไม่ทราบความจริงเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะหรือไม่เชื่อว่าคนเราตายแล้วก็ยังมีชีวิต ก็อาจจะเห็นได้ว่าเรื่องที่คุณเอื้อเล่าให้ฟังเนี้ยก็คือความฝันนั่นเองแต่ความเป็นจริงเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันเพราะตอนนั้นคุณเอื้อได้ตายไปชั่วขณะหนึ่งขอให้สังเกตว่าสิ่งที่คุณเอื้อได้เห็นภายหลังจากการช็อกนั้นตรงกับข้อเท็จจริงไม่ใช่การนึกเห็นไปเองเหมือนกับในความฝันและการเห็นในลักษณะนี้ ก็ผิดกับความฝันอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งต่างๆที่เห็นในความฝันจะลบเลือนไปได้ง่ายมากบางคนพอตื่นมาไม่นานเท่าไหร่ก็ลืมหมดไม่ประทับใจส่วนภาพต่างๆที่คุณเอื้อได้เห็นภายหลังจากการช็อกนั้นเป็นภาพประทับใจการเห็นในลักษณะอย่างนี้ไม่ว่าเวลาจะล่วงเลยมาสักกี่สิปีก็จะไม่มีลืมเมื่อนึกขึ้นมาคราวใดก็จะรู้สึกเห็นได้ชัดเจน เหมือนกับเพิ่งเห็นมาใหม่ๆและโดยปกติการเห็นในลนนักษณะนี้จะฝังอยู่ในความทรงจํายิ่งกว่าการได้ไปเห็นอะไรมาด้วยตาเนื้อสิอีกนี่คือข้อที่แตกต่างกันตามความรู้สึกส่วนตัวของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สงสัยว่าเรื่องที่เล่ามานี้เป็นความฝันเพราะตัวอย่างเช่นนี้ข้าพเจ้าเองก็เคยประสบมาแล้วด้วยตนเอง และที่พบในเอกสารที่ฝรั่งเขาเขียนเอาไว้ก็มีมากมายและที่คนไทยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังก็มีอยู่หลายเรื่องแต่ไม่มีเรื่องไหนซึ่งมีหลักฐานชัดเจนพอที่จะทำให้คนสงสัยติดตามไปพิสูจน์ได้เหมือนกับเรื่องของคุณเอื้อหงสกุลด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้นามาลงในหนังสือวิญญาณเพื่อไม่ให้เรื่องนี้ต้องสูญไปและขอได้โปรดเข้าใจไว้ด้วยว่า คนเราเมื่อตายแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับที่คุณเอื้อเล่าให้ฟังนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเช่นนี้ทุกรายไปเพราะบางคนในขณะที่ตายอาจจะไม่รู้สึกตัวว่าตัวเองออกมาจากร่างกายในลักษณะอย่างไรเพราะอาจจะตายในขณะที่ไม่รู้สึกตัวและหลับอยู่เป็นเวลาชั่วระยะหนึ่งพอตื่นขึ้นมาก็เห็นตัวเองอยู่ในโลกใหม่คือในโลกของโอปปาติกะไม่เห็นสภาพในโลกมนุษย์เลย เช่นอย่างในกรณีของคนที่พอจุติแล้วก็ไปปฏิสนธิอยู่ในภูมิของโอปปาติกะทันทีโดยไม่เกี่ยวข้องกับโลกมนุษย์แต่บางคนในระยะแรกก็อาจจะอยู่ในโลกมนุษย์ได้เห็นสภาพในโลกมนุษย์ตามความเป็นจริงและในเวลาเดียวกันก็ได้เห็นพวกโอปปาติกะและเห็นสิ่งแวดล้อมในโลกของโอปปาติกะด้วยอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน แต่อย่างไรก็ดีไม่ว่าคนเราจะตายในลักษณะไหนชีวิตที่เกิดใหม่จะมีหลักเหมือนกันหมดทุกคนกล่าวคือวิญญาณเป็นผู้สร้างขึ้นมาตามวิบากที่มีอยู่ในสันดานเช่นเดียวกับชีวิตในความฝันแต่ก็มีประเด็นที่แตกต่างกันบางอย่างเพราะวิญญาณที่สร้างชีวิตในความฝันหรือสิ่งแวดล้อมในความฝันนั้นเป็นพลังของวิญญาณส่วนน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ยังควบคุมร่างกายอยู่ฉะนั้นรูปร่างในความฝันจึงไม่สมบูรณ์และมีชีวิตจริงๆเหมือนกับพวกโอปะปะติกะส่วนชีวิตที่เกิดภายหลังจากตายเกิดจากพลังของวิญญาณทั้งหมดเพราะในร่างกายของคนตายไม่มีความรู้สึกอะไรเหลืออยู่เลยด้วยเหตุนี้รูปร่างที่เกิดขึ้นภายหลังจากตายจึงมีชีวิตเช่น สามารถเห็นอะไรได้ตรงตามความเป็นจริงเหมือนกับคนอื่นสามารถได้ยินเสียงคนอื่นส่วนชีวิตในความฝันเห็นเฉพาะแต่ภาพที่จิตใจของตัวเองสร้างขึ้นไม่ได้เห็นของจริงอย่างนี้เป็นต้นอันหนึ่งการติดต่อกับวิญ ญ, ญาณของผู้ตายโดยวิธีการสะกดจิตนั้น โดยธรรมดาแล้วย่อมทำไม่ได้และถ้าหากจะเป็นไปได้ผู้ที่ถูกสะกดก็จะเป็นอันตรายถึงกับเสียสติหรือเป็นโรคประสาทอย่างร้ายแรงได้ในกรณีของคุณเอื้อตามที่เล่ามาอาจไม่ใช่เป็นการสะกดจิตแต่เป็นวิธีการจูงเพื่อให้นางซั์กับนางเชื้อเข้าสมาธิไปด้วยตัวเขาเองจนถึงขั้นที่โอปปาติกะจะมาเข้าทรงหรือติดต่อได้ วิธีนี้ถ้าไม่สังเกตให้ดีจะแยกไม่ออกว่าคนที่ถูกสะกดกับคนที่ถูกจุงให้เข้าสมาธิจนกระทั่งหลับไปไม่รู้สึกตัวนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรแต่อย่างไรก็ดีประเด็นนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาวมากและอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการได้กลิ่นก็เป็นเรื่องที่ต้องอธิบายมากเหมือนกัน We made